มันจะอย่างอย่างคนที่ที่ยินดีในการงานน่ยถ้ายินดีอยู่แค่การงานเล็กๆขนาดนี้มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปคิดยินดีการงานเนี่ยเออกุฏิของเรามันต้องหลังใหญ่ขนาดนี้ศาลาวัดเรานะมันต้องกว้างเท่านี้ใหญ่เท่านี้จะต้องมีช่ออะไรกวากันไปเนี่ยนะเราจะต้องใช้อะกระเบื้องชนิดนี้ใช้หลังคาชนิดนั้นนะเล่าให้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งเว้เราก็อยากจะสร้างศาลาก็ เ, าเลยไปสร้างศาลาแล้วก็สร้างเว้กลางน้ําด้วยนะ แล้วก็ใช้เหล็กเหล็กหเหล็กเกสาก็ต้องเหล็กโครงก็ต้องเหล็กนะแล้วก็กลางนา้ําโอ้ยคิดกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟแบกหินแบกกรดแบกปูนแบกนะ ท, ทรายเนี่ยนะบาเนี่ยถลอกปอกเปิกหมดอลยนะทำอยอู่นอนไม่ค่อยหลับในช่วงนั้นนะนะทําอยู่ประมาณเกือบครึ่งเดือนแหมอยากจะให้งานมันเสร็จไวๆจะได้เลิกสักทีมันก็ไม่ยอมเสร็จเนี่ยนะนะโอ้ยทุกข์จริงๆแต่เชื่อไหมว่าระยะเวลาช่วงนั้นสิบห้าวันเลยนะ แทบไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกไม่ได้คิดถึงคาสอนอะไรคิดว่าไอ้ตรงนี้กับตรงนั้นนะมันต้องต่อมันต่อมันยาวกี่เม็ดนะั้นมันขาดเท่าไหร่นะ่มันก็อยู่เท่านั้นแหละอ๋อสงสารตัวเองเลยนะโอ้ยทำเสร็จแล้วบอกเข็ดจนตายอย่างนั้นไม่ได้คิดถึงคำสอนเลยเนะ่ยนะนะคิดบ้างอับใครนะจะมาช่วยเราตรงนี้ได้บ้าง นี่มันขาดปูนอีกหลายรูปเหมือนกันนะเนี่ยอะไรงี้ยนีบอกก็เข้าใจแล้วอ๋คนที่เขาคิดหาสตังค์นี่เขาคิดกันอย่างนี้ น, ะนี่เองอ่ะเก็ได้ความคิดขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะก็ได้ความฉลาดเท่านั้นแหละว่าโอ้ oh! คนที่เขาแสวงหากามนะเขาคิดแบบเราตอนนี้แน่นอนเลยนะเพราะเราก็คิดเอ้ใครจะมาช่วยทําสาลาหลังนี้ให้มันเสร็จให้ได้นะเชื่อไหมเสร็จแล้วมแทบไม่เคยเข้าไปเหยียบอีกเลยนะจากมาแล้วเนี่ยประมาณ5ปีหลังมาไม่เคยไปแทบไม่เคยไปเช้อดูว่าที่ทำนี่มันเป็นยังไง ที่แน่ๆทะลอะปอกเปิกโยมเข้ามาบ่นว้ยทําเสร็จหมดไปเยอะแยะมันก็ไม่อยู่อีกนี้อีกนะก็จะไปว่าอะไรเนี่ยก็ไปแล้วอ่ะนั้นบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยบางองค์เนี่ยทำทำซะจนฟุ้งซ่านทีเมื่อทํางานพวกนี้มันก็มันก็ทะเลาะกันก็มีเนี่ยนะทะเลาะการขาดเมตตาต่อการจิตใจมันก็หยาบก็อย่างว่าเกี่ยวข้องกับของใหญ่ๆใจมันก็หยาบเหมือนกันนะเกี่ยวข้องกับอิดหินปูนทายใจมันก็ใจหินใจอิดใจปูนใจทรายไม่ใช่ใจสมถาวิปัสสนาเท่าไหร่ มันก็เลยพพระองค์ก็จึงบอกว่าถ้ายังยินดีในสิ่งเหล่านั้นนะก็เสื่อมมันนะถ้าไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เสื่อมแต่ถ้าคนที่เป็นมาดูว่าพระพิสุบังรูปที่ท่านฉลาดนะก็บอกว่ากระทำกิจเหล่านั้นในเวลาที่สมควรทำเท่านั้น พอะฉะนันได้เวลาอุเทเวศก็จะอุทเทศหมายความว่าเวลาศึกษาเล่าเรียนคําสอนก็เล่าเรียนคําสอนเวลาสาธยายก็สาธยายเวลาตัดกวาดลานพระเจดีย์ธรรมจารีวัตดเป็นต้นก็พิชิตปฏิบัติเหล่านั้นเวลาเจริญกรรมฐานก็เจริญกรรมฐานถ้าอย่างนี้ไม่มีใจผูกพัน น, นะแค่ก็แบ่งเวลาในการเจริญแต่ละอย่างเป็นถ้าอย่างนี้ก็พิสูจน์นั้นไม่เชื่อว่ามีการงานเป็นที่มายินดีแต่ถ้าผู้ยินดีในการงานเลยเป็นยังไงไหม พอถึงเวลาเจริญกรรมฐานไม่เจริญกรรมฐานคิดถึงเออเนี่ยหลังนี่นะใช้กระเบื้องกี่แผ่นเนาะใช้ปูนกี่อีกกี่รูปจึงจะเสร็จนี่นะมันกระเบื้องเนี่ยมันขนาดกี่นิ้วมันยึงจะเข้านั่นแหละเพราะฉะนั้นนั่งนั่งสมมุติว่าถ้านั่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยสร้างกุฏิเสร็จไปเกือบหลังพอดีนะถ้านั่งสักชั่วโมงหนึงก็เสร็จศาลาไปหลังหนึ่งเลยนะนั่นะพ่อองค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังอกว่าไม่รู้นะนั่งเห็นแต่อิฐหินปูนทราอยอยู่เนี่ยเขา ง, งั้น ก็ถูกแล้วล่ะหลวงพ่อสร้างหมดไปทั้งหลายล้านมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่มาดูข้อที่สองนะว่าอปริหานิยธรรมดูก่อนพิสูจนทั้งหลายและพิสูุทั้งหลายยังจักไม่มีการพูดคุยกันเป็นที่มายินดีจักไม่ยินดีในการพูดคุยกันไม่ประกอบเนืองๆซึ่งการพูดคุยกันตลอดการเพียงไรพิสูจนทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้นะ ก็ต้องดูว่าเป็นคนชอบพูดขนาดไหนะนะก็ดูตรงนี้เรียกว่าณพัสสารามาดังนี้บอกว่าภิกษุใดเมื่อทําการเจรจาปราศัยด้วยเรื่องเพศหญิงเพศชายก็แปลว่าพูดเดราชาณคาถาเนี่ยนะเว้นไว้แต่คุยอริยสัจนะนะคุยได้ทุกเรื่องเว้นแต่อริยสัจเนี่ยนะพอพูดอริยสัจปั๊บเริ่มง่วงเลยเงี้ยหมดเวลาผ่านไปทั้งกลางวันกลางคืนคุยกันไม่มีรู้มีจบเนี่ยนะเรียกว่ายินดีในการพูดการคุยนะ แต่ถ้าภิกษุใดพูดธรรมะคือพูดอริยสัจแก้ปัญหาในอริยสัจอย่างนี้ไม่ชื่อว่ามีการพูดคุยกันเป็นที่มายินดีและคุยจบเป็นด้วยเพราะมันจบลงที่การที่ประชมอริยสัจเป็นต้นถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าจบเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุผู้ประชมกันควรมีกิจอยู่สองอย่างการณียะคือกิจสองอย่างคือหนึ่งพู้ธรรมะหรือสนทนาอริยสัจสองนิ่งอย่างพระาริยาคก็คือนิ่งแบบ จเจริญกรรมฐานถ้ายังถ้าพูดสนทนาธรรมก็ไม่ไม่เรียกว่ายินดีในการพูดคุยะนะเพราะจิตใจไข้ควรวนไปกับคําสอนไข่ครควนไปกับอริยสัจธรรมนั่นเองแต่ถ้าคุยเรื่องอื่นในทุกเรื่องเวน้นแต่คําสอนเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็น่าเห็นใจอน่ะนะวันนี้มติชนไทยรัฐเดลเนิวออกอะไรบ้างแล้วคุยกันยาวถ้าอย่างนี้ก็น่าสงสาร่ะเนาะดูก่อนพี่สูุทั้งหลาย และพิสูุทั้งหลายยังจกไม่มีการหลับเป็นที่มายินดีจากไม่ยินดีในการหลับจากไม่ประกอบเนืองเนืองซึ่งความหลับตลอดการเพียงไรพิสูทั้งหลายพึ่งหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้นาะนิทารามาเนี่ยนะนิทรานะนิทรารมนั่นเองนิทารมแปลว่าชอบนอน ภิกษุใดเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีถูกที น, าน่ามิถะครอบงําได้หลับได้ทั้งนั้นแหละภิกษุนี้ชื่อว่ามีการหลับเป็นที่มายินดีแปล ว, ว่านิ่งก็เป็นหลับเลยอยางเงี้ยอยงเงียบๆ เ, เมื่อไหรก่ก็อ้าวหลับไปตั้งนานแลถ้าอย่างนี้แหละหรือภิกษุใดที่มีจิตอย่างลงสู่ผวังอ่าขอภัยนะอันนี้ขึ้นอีกฝ่ายตรงกันข้ามถ้าหากว่าหลับหรือว่าหลังอย่างลงสู่ผวังเพราะป่วยไข้ทางกายเนี่ยนะเพราะไม่สบายอย่างที่พระองค์ตรัส กับสัจการนิครนว่าดูก่อนอักขิเวสนะเรารู้ยิ่งว่าปลายเดือนฤดูร้อนภายหลังหมายก็ว่ากลับภายหลังจากบินทบาทมาแล้วเราก็จะปูสังขาติ4ชั้นมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับโดยตะแคงข้างขวาแต่กว่าฤดูร้อนเนี่ยมอินเดียเนี่ยมันร้อนโหดๆเหมือนกันนะสี่สิบองศาขึ้นนะเพราะฉะนั้นหมายตอนใบบ่ายเนี่ยมัน มันร้อนระอุ่แล้วมันก็เพลียมากเลยถ้าไม่พักบ้างเลยมันก็ยากนะพระองค์ก็บอกว่าถ้าไม่สบายลักษณะนี้ไม่เรียกว่ายินดีในการหลับแต่ถ้าตรงกันข้ามเมื่อไหรก็ง่วงไปหมดเลยง่วงอยู่ตลอดเนี่ยนะก็บอกว่าอะไรนะเห็นพระไตรปิฎกก็หาวเลยไงนะบอพลิกพระไตรปิฎกปั๊บก็หาววอบวอบเนี่ยนะพอบอกมีเรื่องคุยปั๊บเนี่ยนะอุ๊ยตื่นตาตื่นใจขึ้นมาทันทีเลยนะถ้าอย่างนี้ก็เเสื่อม น, นะแต่ถ้าตรงกันข้ามก็จเจริญ ส่วนข้อที่4ดูก่อนพิสูุทั้งหลายและพิกษุทั้งหลายยังจะไม่มีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นที่มายินดีจกไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะจะไม่ประกอบเ น, อเนืองในความคลุกคลีด้วยหมู่คณะตลอดการเพียงไรพิสูุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้หน้าสังขีกาอารามาเนี่ยนะ ก็บอกภิกษุใดมีเพื่อนหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปกคลุกมคลีอยู่อย่างนี้ไม่ได้รับความยินดีในกายวิเวกไม่เคยมีความพอใจในกายวิเวกอะไรเลยอย่างนี้แหละเรียกว่ามีการคลุกมคลีกันเป็นที่มายินดีส่วนภิกษุใดได้ความยินดีในอิริยาบทสี่ไม่ว่ากายยินดีในกายวิเวกภิกษุนี้เรียกว่าผู้ไม่ไม่ใช่มีการคลุกมคลีเป็นที่มายินดีผู้ที่ไม่ยินดีในการคลุกมคลีก็ ก็เจริญนะนะแปลว่าไม่เสื่อมส่วนข้อ5้าดูการพิสูุ์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายยังจักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามกป่าปะในปรารถนาอันเป็นบาปนะปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปไม่รู้อํานาจความปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปตลอดการเพียงไรพิสูุทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้บอกว่าปรารถนาด้วยใจเป็นบาปปรารถนาว่าอย่างไรปรารถนาให้คนอื่นยกย่อง ในคุณธรรมที่ตัวเองไม่มีเลยเช่นตัวเองไม่มีศรัทธาแมอยากจะได้ชื่อว่าเรียกว่าผู้มีศรัทธาตัวเองเนี่ยแทบไม่เคยเรียนคําสอนมาเลยอยากจะเรียกว่ามีชื่อว่าเป็นพหูสูตรเป็นต้นเนี่ยตัวเองไม่ได้รักษาศีลเลยแต่ต้องการอยากให้ชนเราอื่นเข้ารู้ว่าเราเป็นผู้มีศีลก็คือเป็นผู้ไม่มีศรัทธาอยากให้คนอื่นเข้ารู้ว่าตัวเองมีศรัทธาไม่มีศีลก็อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเป็นผู้มีศีลไม่มีฮิริโอตปะเป็นต้นนะนะปราทานค คุณธรรมเหล่านั้นให้คนอื่นเรียกตัวเองพี่ผู้มีคุณธรรมอย่างนั้นโดยที่ไม่มีคุณธรรมอย่างนั้นอะเรียกว่าผู้ปรารถนาอันเป็นบาปอันเป็นบาปตรงนี้เขาแปลว่าลามมกนะดูกรมานผู้มีบาปก็จะแปลว่าดูก่อนมารผู้มานผู้ลามมกนะก็คำว่าบาปนะมันก็ไม่สะอาดอะไรหรอกเพนข้อที่หก ดูความพิสูุทั้งหลายและภิสูุทั้งหลายยังจะไม่มีคนชั่วเป็นมิตรจกไม่มีคนชั่วเป็นสหายจากไม่มีคนชั่วเป็นเพื่อนตลอดการเพียงไรพิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ก็อย่างที่ว่านะความเจริญความเสื่อมก็ดูได้จากเพื่อนที่เราครบเห็นคนที่เราครบเป็นเช่นใดในที่สุดเราก็จะเป็นคล้ายกับคนเช่นนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับอย่างพวกภาษาพูดใช่ไหมเราครบคนเช่นไหนเดี๋ยวเราก็พูดเป็น เป็นภาษาของท้องถิ่นแถวนั้นนะ่ะนะออกมาถ้าไปอินเดียบ่อยๆไม่แน่นะ่อาจจะพูดภาษาเขาได้เนะนี่ยก็ได้ต่างหลายคำลนะมันถ้าคบกับแขกนานๆอาจจะพูดแขกไปเลยก็ได้นั้นก็ไปเห็นพระที่อยู่อินเดียนานๆเห็นท่านพูดแขกกันประจนะนะํานี่ย น, นะก็แสดงว่ า, าการครบคนเนี่ยมักระทั่งเรื่องภาษาเรื่องนั้นเสียงต่อไปจริตนิสยัยคบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นนั้นนะั่นแหละเพราะฉะนั้นคิดถึงพระพุทธเจ้าอิติปิโส ว, ว้บ่อยๆเนี่นะ จะได้เป็นไปตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนคิดแบบนี้บ่อยๆในที่สุดก็จะเป็นไปตามนั้นมันอยู่ที่ว่าเราครบใครเหมือนกันคำว่ามีมิดชั่วอ่ะนะมีมิรชั่วมีสหายชั่วคลุกคลีกันในอิริยาบททั้ง 4, สีง่เรียกว่าป่าปะสัมปวังกตะเรียกว่าคบภพิกษุชั่วแล้วก็โอนตามเข้าไปหมดชั่วดี อ, อะไรเป็นเครื่องวัดก็เอาว่า ยิน อ, อะไรนะคนที่ไม่มีศรัทธาแล้วเราโอนตามผู้ที่ไม่มีศรัทธานะก็อย่างที่เขาเรียกว่าเกรงใจคนไม่มีศรัทธาเกรงใจคนไม่มีศีลเกรงใจคนไม่มีอริโอตตะเกรงใจคนที่ไม่มีสุตะจากขะปัญญาโอนตามบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดยอมเขาไปทุกเรื่องอย่างนี้แหละเ้าเรียกว่าแปลว่ามีเพื่อนชั่วเนี่ยนะมีเพื่อนชั่วถ้ามีเพื่อนชั่วอย่างนี้ก็เสริมอย่างเดียวแต่ถ้าตรงกันข้าม โอนตามผู้ที่มีศรัทธาเป็นต้นก็เจริญโดยอย่างเดียวส่วนข้อที่7บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายและพิสูุทั้งหลา ย, ลลายจากไม่หยุดเสียในระหว่างด้วยการบรรลุธรรมะพิเศษเพียงขั้นต่ำตลอดการเพียงใดพิสูจนทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้หมายคือว่ายังไม่ยินดีเอ่อแค่เรียกว่าไม่หยุดอยู่แค่คุณธรรมชั้นต่ำปราถนาคุณธรรมชั้นสู ง, ย, งยิ่งขึ้นไปะนะที่ภาษาไทยเขาใช้คำว่า มีความฝักใฝ่อยู่ตลอดเวลาแเขามีอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคําเน็บแนมเลยนะถากถางเลยก็คือถ้าเยือทสยานอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆก็หมายความว่าตรงนี้หมายความว่าเพิ่มพูนต้องปรารถนาคุณที่สูงยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะตรงนี้บอกว่าโอระมัตตะกังหรือโอระมัตตะเกนะแปลว่าคุณที่ยังมีประมาณน้อยอันตราแล้วก็หยุดอยู่ยังไม่ถึงเป็นพาธหันถ้ายังไม่เป็นพระาธหัน์และหยุดอยู่ในคุณเท่านั้นเนี่ยแปลว่า แล้วว่าเสื่อมเลยนะก็คือยินดีในความหยุดอยู่เาถามว่าถ้าเราบอกว่าเอาขี้เกียจไหวทวนกระแสแล้วพอลอยตามก็เรียกว่าขอหยุดอยู่เฉยๆสบายๆถามว่าทํำยังไงเวลาไหว้น้ําอ่ะนะเวลาไหว้น้ําทวนกระแสเนี่ยถ้าหากว่าเราหยุดเฉยๆปั๊บเลยว่าถอยหลังไปเรียบร้อยแล้วเพราะถ้ายังไม่ถึงไม่ถึงฝั่งคือยังไม่สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีใจท้อถอยอันนี้ยังถือว่าเป็นเหตุแห่งความเสื่อม แต่ถ้าไม่ทอ้อถอยไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นคือไม่หยุดอยู่ว่าเออได้ศีลดีก็พอแล้วไม่หยุดอยู่คุณธรรมเพียงแค่ศีลไม่หยุดอยู่เพียงสมถะไม่หยุดอยู่เพียงวิปัสสนาไม่หยุดอยู่เพียงโสดาบันเพียงสกาทาคามีหรือเพียงอนาคามีไปหยุดที่ไหนที่อรหัตผลอันเลิศนะนะกิจนะที่ควรทาทําเสร็จแล้วนะคือถ้าทำกิจทำถ้าทํากิจแบบนั้นเสร็จถ้าจะหยุดอันนี้ก็ไม่เสือ่อมแต่ถ้ายังไม่เสร็จกิจ แล้วหยุดเนี่ยก็ถือว่าเสื่อมเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นจึงอยากให้เราถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะไม่อยากให้หยุดในระหว่างเนี่ยนะหมายความว่าถ้ายังไม่ถึงที่ปลอดภัยจริงก็อย่าเพิ่งหยุดเลยเนี่ยนะเพราะว่ามันยังไม่ปลอดภัยจริงๆให้เดินทางต่อไปเถอะเพราะถ้าหากว่าคืนพักอยู่ระหว่างทางเนี่ยนะในที่ที่ไม่ปลอดภัยนี่เป็นยังไงนั้นพักคืนเดียวก็อันตรายตลอดชาตนะนะินะั้นน่ะนะนะเพราะฉะนั้นก็พระองค์ไม่อยากให้หยุดอยู่สรุปว่า อปริหานิยธรรมหมวดที่สองหรือสัตตกะที่สองเนี่ยนะหนึ่งหนึ่งคือไม่ยินดีในการงานสองไม่ยินดีในการพูดคุยสามไม่ยินดีในการหลับสี่ไม่ยินดีในการคลุกคลีห้าไม่มีใจปรารถนาที่เป็นบาปหกไม่มีไม่ครบคนชั่วเจ็ดไม่ยังไม่เป็นพระทานก็ไม่หยุดในระหว่างทางนะ ดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็อภิริหานิยธรรมเจ็ประการเหล่านี้จักยังตั้งอยู่ในภิสูจทั้งหลายหมายคาอว่าภิสูุรูปใดตั้งอยู่ในอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้ภิสูจทั้งหลายจักเห็นดีร่วมกันในอปริหานิยธรรมเจประการเหล่านี้ตลอดการเพียงไรพิสูจทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ถ้าหมู่ใดคณะใดสังคมใดยินดีร่วมกันในการเจริญคุณธรรม7ประการอยู่นี้หมู่นั้นคู กลุ่มนั้นประชุมชนนั้นก็เจริญโดยส่วนเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เจริญแน่นอนมางั้นอ่ะปรองรับรองเลยมางั้นเดี๋ยวพักสักครู่ก่อน